วันนี้พาใครมาบ้างน้อ ง, น, องน้องที่บริษัท a a เจ้าค่ะเอไ<ป>อเอประกันชีวิตประกันชีวิตประกันได้เป่าชีวิตะประกันได้ก็ดีนะอยู่ไปไม่ตาย พระพุทธเจ้าเนะี่ยขายประกันชีวิตถ้าซื้อประกันจากพระพุทจารับรองนะไม่ตายเนี่ยพระจะไม่มาเกิดกันพราะไม่มาเกิดก็จะไม่มีวันตายกันัน่นแหละประกันชีวิตที่แท้จริงต้องประกันแบบเกิดไม่ไม่มีวันตายถ้าไม่มีวันเกิดก็ไม่มีวันตาย ถ้าแดดยังมีวันเกิดอยู่ก็ยังมีวันตายตอนนี้พวกเรากำลังซื้อม า, มาซื้อประกันชีวิตจากพระพุทธเจ้ากันรู้ปะ mm hmm. เนี่ยที่สอนให้เราทำบุญทำทานให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรมนนี้ก็เป็นการซื้อประกันชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตปัจจุบันนี้แต่ ชีวิตอนาคตคือถ้าเราไม่กลับมาเกิดแล้วเราก็จะไม่มีวันตายอีกต่อไปอันนี้ที่เราที่พระเจ้าสอนเนี่ยทุกอย่างนี้พูดไปที่การไม่กลับมาเกิดเพราะการมาเกิดนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราจึงต้องมาหยุดการเกิดกันให้ได้และเหตุที่ทาให้พวกเรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากสากลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าการตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพวกเราอยากเสกรูปเสียงกลิ่นรสกันอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากสัมผัส เสียงต่างๆสัมผัสต่ตางๆผ่านทางร่างกายเช่นร้อนเย็นนุ่มแข็งจิตใจของเรามีความอยากวันนี้อยู่สังเกตดูถ้าเราไม่ได้สัมผักสกับรูปเสียงกลิ่นรสนี้เราจะรู้สึกสสเศรา้าสร้อยหน่อยเหรออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไไดูไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ทำอะไรนี่จะมดเย็ดดำคานใจ ต้องมีอะไรดูต้องมีอะไรฟังต้องมีอะไรให้ดื่มให้รับประทานแล้วก็ยังอยากจะออกไปข้างนอกบ้านอยู่ในบ้านเห็นแต่ภาพรูปจำเจอยากจะออกไปเห็นภาพ ใ, ใหม่ใออกไปข้างนอกไปดูที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่คือความอยากทางตาหูจมูกเง้นกาย ที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันเพราะว่าเมื่อมีความอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายถ้าไม่มีตาก็ดูรูปไม่ได้ไม่มีหูก็ฟังเสียงไม่ได้ไม่มีกลิ่นไม่มีจมูกก็ดงกลิ่นไม่ได้ไม่มีลิ้นก็ลิ้มรสไม่ได้ไม่มีร่างกายก็สัมผัส สิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายไม่ได้พวกเราหาความสุขจากการเสกรุกเสียงกลื่อนลดนุเสียงเกลื่นลดปุถัมภนี้เรียกว่ากามคุณห้ากามคุณห้าประการความอยากในกรามคูณห้าเ็เรียกว่าการละตานา น, นี่เป็นความอยากปุ่มรูกหนึ่งที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดกัน เพราะเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจความอยากที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้ตายไปด้วยความอยากก็ยังอยู่ก็เลยดันให้ใจมหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่นี่คือความอยากกลุ่มที่หนึ่งความอยากกลุ่มที่สก็คือความอยากมีอยากเป็น อยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากลูกหลอ่ออยากมีวาสนาบารลีอันนี้ก็ทําให้ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็มาหาความร่ำรวยไม่ได้หาราบยศสารเสริญไม่ได้ก็ต้องมี มีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาห า, าราญยศสารเสริญสุขกันตอนนี้เราหาอะไรกันหาลาภคนรึเป่าหาเงินท้ารึเป่าหายศฐานตำแหน่งกันไหมหาการสรรเสแร้เงเยือนยอกันไหมทำงานก็อยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปแล้วก็อยากได้ การสรรเสริญด้วยการมอบรางวัลต่างๆให้มอบเกียรติคุเกียรติบัตรมอบถ้วยมอบอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าสรรเสริญเบริษัทประการท้าขายเข้าเป้าเข า, เขาก็มีรางวัลตอบแทนอันนี้เรกว่สรรเสริญแม่นี่คือความอยาก เีกว่าภาวะตัณหากลุ่มที่สองความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขและกลุ่มที่3ก็คือความอยากไม่ได้ความอยากไม่มีอยากไม่ได้อะไรอยากไม่ได้ความเสื่อมของลาบยศสารเสรื่อสุขอยากจะให้มันจเจริญอย่างเดียวใช่ไมไม่อยากให้เสือเส่อมเงินเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสารเสรืเส่อมสุข อันนี้ก็จะทำให้ใจเวลาเสื่อมก็ต้องกลับมาหาใหม่เวลาเสื่อมลาบโยธาเสื่อมก็ต้องหาใหม่เวลาหาก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ต้องกลับมามีร่างกายนี่คือตัวที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันาากสามอยางสามอย่างถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้อง หยุดความอยากเหล่านี้เชหยุดเสกรูปเสียงเกิดลดวิธีหยุดทำยังไงให้ถือศีลแปดถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะเสกรูปเสียงเกิดลดไม่ได้เป็นศีลข้อสามก็เป็นอรร ม, มาจาริยาเกิประพไม่ประพุติผิดธรรมจรรย์ติ พรหมจรรย์ก็คือเป็นโสดไม่มีคู่ครองแบบนักบวชเนี่ยก็เลยพรหมจรรย์ก็ต้องอยู่คนเดียวนอนคนเดียวไม่นอนไม่นอนกับแฟนไม่มีแฟนเรียกว่ายุติการหาความสุขทางสัมผัสทางล่างกายโสดท่าพระร่างกายสัมผัสกับร่างกายก็ทําให้เกิดมีความสุขขึ้นมา ติดความสุขแบบนี้กันถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องเลิกเสษกลางแล้วก็เลิกสินข้อที่6ก็ให้เราเลิกกินอาหารมากจนเกินไปให้กินพอประมาณกินพออยู่ได้กินวันละมือ้อสองมื้อก็พอหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่ต้องกิน ตอนข้ามตอนก่อนนอนบางคนกินข้าวเย็นแล้วก่อนนอนอยังต้องกินอีกก่อนก่อนจะนอนแม้เดี๋ยวนอนไม่หลับถ้าหิวก็ต้องเลิกหาความสุขจากการรับประทานตามความอยากให้รับประทานตามความจําเป็นร่างกายยังต้องเนื้หารอยู่รับประทานได้แต่รับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ ร่างกายเป็นเหมือนรถเดินก็ต้องเติมน้ํำมันให้รถเดิเลยแต่ไม่ต้องเติมจนล้นถังไม่ต้องเติมจนกระทั่งถังมันพองอขึ้นมาเนี่ร่างกายของคนเราบางทีรับประทานมากเกินไปมันก็พองขึ้นมากลายเป็นตุ่มไปนั่นเรียกว่ารับประทานตามความอยากถ้าไม่รับประทานตามความอยากแล้วจะไม่ไม่เป็นไม่พองไม่เป็นตุ่ม จะมีรูปในร่าง ม, มีสัตว์นีส่วนอันนี้ก็ข้อที่หกเสียงแปดเสียงเสียนข้อหนึ่งข้อสองนี่ก็เหมือนกับเสียนห้าคือไม่ให้ค่าสัตว์ได่ให้ฆ่า ส, ส่วนเสียนข้อที่สามก็ไม่ให้ก็ไม่ให้ประพฤติกรรมในเสียงข้อห้าถ้าเสียนข้อห้า ย, ยังประพฤติกรรมได้แต่ ต้องไม่ประพฤติผิดประเพณีคือต้องมีสามีเดียวภรรยาเดียวนักคู่เดียวคนที่ถือศีลห้าเขาร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเขาได้สามีภรรยาแต่ถ้าถือศีลแปดก็ต้องแยกห้องนอนกันสามีกับภรรยานอนด้วยกันไม่ได้ถ้าจะเป็นศีลแป แล้วก็ข้อที่สี่ก็เหมือนกันไม่ให้พูดปกข้อที่ห้าก็เหมือนกันไม่ให้เดียมสุรายา ม, มาวัถือศีนถ้าถือศีลห้าก็ถือแค่ห้าข้อนี้ถ้าถือศีลห้านี้ยังไม่มียังไม่พอที่จะหยุดความอยากยังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าถือศีลห้าได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายศีลห้านี้จะรับประกันว่าถ้าจะเกิดก็ไม่ไปเกิดในอบาย รักษาสี่ห้าได้ห้าข้อนี้ตายไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นผีตายแล้วก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ถ้าได้ทําบุญก็ไปได้ไปสวรรค์ก่อนไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ควนที่ถือสี่ห้านี่ก็เป็นการประกัน แต่อันนี้เรียกประกันภัยภัยก็คืออบายไม่ต้องไปเกิดในอบายสี่ห้านี้คือเป็นเป็นก็เรียกอะไรเป็นการประกันภัยไม่ให้ไปเกิดในอบายพระุตจารับรองว่าถ้าใครรักษาสี่ห้าได้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งพระสวสดาบานนี้ท่านรักษาสีลห้าได้ ท่านจะรักษาเสียงท่าได้บอยสุตลอดชีวิตเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นตัวท่านเห็นใจของท่านเห็นใจของคนที่ทําบาปว่าไปเกิดในอบายกันงั้นเราเห็นคนที่ไปติดคุกติดตารางเราก็ไม่กล้าทําผิดกฎหมายกันเพราะเราไม่อยากไปติดคุกติดตารางกันแต่คนที่ กล้าทำบาปเพราะเพราะว่าเขาไม่เห็นอบายกันเขาไม่เห็นคุกเห็นตารางกันและเขาไม่เห็นคนที่ไปติดคุกติดตารางคือใครเขาคิดว่าตายไปแล้วก็จบใช่ไหมใครจะไปใครจะไปอบายกันใครจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตกันเพราะเขาไม่เห็นใจใจนี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายใจนี้เป็นผู้ที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรทำใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจนี่แหละที่ไม่มีรูปร่างนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและพอร่างกายนี้ตายไปใจนี่แหละต้องไปรับผลบาปไปติดคุกติดตารางตารางของใจก็คืออบายมีแดนมีอยู่สีแ่แดนแดนเดนระฉานก็เกิดเป็นสั์เดระฉานแดนของเปลยแดนของวสดุรกายและแดนของนรกนี่ก็เหมือนคุกตารางเขาก็แบ่งเป็นแดนแดน ขึ้นอยู่กับโทษหนักโทษเบาอันนี้ก็เหมือนกันอบายก็เป็ น, เ, ปนเขตที่เขาขังผู้ที่ทําบาปที่บาปทำหนักทำบาปหนักทําบาปเบาบาปหนักก็นรกเราลงมาก็อสุรกายเรามาก็เปรเราลงมาก็เดรัจฉานอันนี้ก่อนที่ไม่เห็น ไม่เห็นตัวของเขาเองก็ไม่เห็นใจไม่เห็นอบายเขาก็จะไม่กลัวบาปเหมือนกับคนที่ไม่เห็นคุกเห็นตารางอย่างเด็กๆนี่เขาไม่เห็นคุกเห็นตารางเขาไม่รู้ว่ามีคุกมีตารางเขาไม่รู้ว่าทาาําผิดกฎหมายแล้วจะต้องไปติดคุกติดต า, ารางเด็กๆยิ่งมักจะกล้าทําบาปกันแต่เลยต้องอาศัยพ่อแม่ผู้ใหญ่ต้องคอยเดินคอยสอนบอกให้ก่อนว่า คุกตารางมีจริงนะทําผิดกฎหมายก็ต้องไปติดคุกนะไปเสพยาเสพติดเนี่เดี๋ยวจับได้เขาก็จับไปถังคุกนะไปลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จับไปถังคุกเอย่างดตอนต้นเขาจะไม่รู้กันแต่พอเขารู้แนละ้วเขาก็ไม่กล้าทําถ้าเขากล้าก็แสดงว่าเขาเขาไม่กลัวคุกเดี๋ยวเขาคิดว่าเขา ทำแล้วจะหลบได้หลีกได้อันนี้ก็แล้วแต่ก็จะคิดกันคุกตารางนี่บางทีก็หลบได้หลีกได้หรือบางทีก็ซื้อออกมาได้ถ้ามีเงินบางทีก็ไม่ต้องติดก็ได้แต่คุกตารางของจาจนี่มันซื้อไม่ได้ซื้อได้ก็ต้องใช้สีนเป็นตัวซื้อถ้าไม่อยากจะไปติดคุกติดตารางต้องถือสีนห้าให้ได้ ในพระโสดาบันเนี่ยท่านมีดวงตาเห็นทรรเห็นสองอย่างเห็นอาบายเห็นตัวผู้ที่จะไปติดโคกติดตล า, างในอาบายคือใจเนี่ยพวกเราไม่เห็นไงพวเราปูุ้ชนเราไม่เห็นทั้งสองอย่างอาบายก็มองไม่เห็นใจตัวเราเองเราก็มองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรายังคิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่ใช่ไหมเราคิดว่าพอร่างกายตายไปเราก็จบ ร่างกายตายไปเขาก็ไปเผาไปฝังเท่านั้นเองแล้วใครจะไปอบายเนใครจะไปรับผลของการทำบาปแต่พระสวดาบันนี่ท่านปฏิบัติธรรมอย่างรักษาศีลแปดนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้น่านจะเห็นอบายเห็นผู้ที่ทำบาปคือใจนี่เวลาตายไปจะต้องไป ที่อับอายก็เหมือนกับเด็กที่ได้รับการสอนสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ใหญ่พาไปดูคุกตารางเลยจะได้เห็นชัดๆเด็กจะได้รู้ว่าเนี่ยถ้าทำผิดกฎหมายจะต้องไปติดคุ ก, กติดตารางอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาการรักษาศีลจะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรม เห็นใจผู้ที่จะไปติดคุกติดตารางแล้วก็เห็นอบายที่เป็นคุกตารางพระสสดาบันท่านเลยไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดท่านตายไปท่านก็เลยไม่ไปเกิดในอบายโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันท่านถือศีลห้าท่านยอมตายดีกลับไปฆ่าคนอื่นเพื่อรักษาชีวิตของท่านเช่นเวลาอดอยากขาดแคลนก็ไม่ไปยิงนกตกปลา พอไปยิงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาทําเป็นอาหารมันก็บาปถ้าถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมาเลี้ยงชีเพเขาเรียกว่าเป็นเป็นการทําด้วยความจําเป็นนี่ตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉาน <Yes. S 1> พวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพ ถ้ามนุษย์ทำแบบเดียวแบบนี้ก็เป็นเดรัจฉานเหมือนกันใจเป็นเดรัจฉานถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้กล า, ายเป็นเดรัจฉานไแปบบถ้าเป็นพระโสดาบันท่านไม่ทำโดยเด็ดขาดถ้ า, ายอมตายยอมอดตายหรือไม่งั้นก็ไปกินผักกินหญ้าแทนหาผักหาอะไรกินไปแต่เราไม่ไปยิงนกตกปลาไปจับสัตว์มากิน เพราะท่านรู้ว่าถ้าทำแล้วต้องไปเกิดในบายนั้นเองนี่คือพระโสดาบันพระ อ, อริยบุคคลขั้นที่ไถ้ากครได้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ถือว่าได้ซื้อประกันไทยแล้วเคินได้ศีลห้านักษาศีลห้าได้บอยสุดตลอดชีวิตแล้วท่านก็ได้ตัดการเวียนว่ายตาเกิดการกลับมาเกิดจะมีไม่ มีมากไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราพระโสดาบันนี้ตัดความอยากบางส่วนได้ความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากไม่เสื่อมจากลาบยศสรรเสร้งท่านเห็นว่ามันเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีได้ก็ต้องมีเสียมีเกิดก็ต้องมีดบับ เช่นร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะอยากไม่แก่ก็ห้ามมันไม่ได้จะอยากไม่เจ็บก็ห้ามมันไม่ได้อยากไม่ตายก็ห้ามมันไม่ได้แต่ความอยากนี้จะทำให้ทุกทรมารใจแล้วก็จะทำให้ดิ้นไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าร่างกายนี้ตายไปก็จะดิ้นไปเกิดใหม่เพราะยังไม่ยอมแก่ยังไม่ยอมเจ็บยังไม่ยอมตาย นี่คือพระโสดาบันแต่ท่านตัดนี่ได้ก็จะทำให้ท่านมีความอยากน้อยลงแต่ท่านยังอยากในรูปเสียงเก่นรอดอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่พระโสดาบันถ้าจะเคลื่อนเลื่อนขึ้นสู่ชั้นที่สองพระริยญบุคคลก็ต้องตัดความอยากมีแฟนวิธีจะตัดความอยากมีแฟนก็ต้องดูแฟนให้เห็นว่าเป็นเหมือนผีตอนนี้ ตอนมีลมหายใจอยู่ก็เป็นเหมือนนางแบบนายแบบกันแต่พอไม่มีลมหายใจปับ๊บเดี๋ยวก็กลายเป็นผีกันให้นึกถึงผีบ่อยๆเรียกว่าให้เจริญสุภาพให้นึกถึงสภาพของร่างกายเวลาที่มันตายไปแล้วว่าเป็นอย่างไรหรือให้มองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังของร่างกายก็ได้ใช้ตาแบบเอ็กซเรย์ ธรรมเวลาหมอเขาจะดูกระดูกดูตับไตไส้ตรงนี้เขาต้องให้เราเข้าเครื่องเพื่อเขาจะได้เห็นภาพที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเราจะเห็นอวัยวะต่างๆเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นสมองถ้าเราสามารถมองเห็นคนในรูปแบบนี้ได้โดยไม่ต้องเข้าเครื่องนี่ ต่อให้สวยขนาดไหนต่อให้หล่อขนาดไหนก็เราก็จะไม่มีความรักใครเขาที่เรามองไม่เห็นนี่ผิวหนังมันทึบมันไม่ใสถ้าหนังมันใสมันถูงพลาสติกขึ้นดูจะเป็นยังไงเห็นถุงพลาสติกใสๆไมหมเนี่ยน้าเนี่ยขวดน้าเนี่ยใสถ้าผิวเราเป็นใสแบบถุงขวดพลาสติกนี่เป็นยังไงเห็นหมดเลยใช่เห็นตับไตไส้พุงเห็นกะโหลก ศีาเห็นโครงกระดูกถ้าลองเห็นอย่างนี้นะ่ะจะยังรักยังชอบอยู่อ่ะ น, นั่นแหละพระสกิรดาคามีนี้ท่านพระสโสดาบันหลังจากที่ท่านได้ขั้นที่หนึ่งนะท่านอยากจะขึ้นขั้นที่สองท่านก็ต้องเจริญนึกถึงภาพภายใต้ผิวหนังกันก็เรียกว่าเจริญอสุภะนึกไปดูซากศพคนตายเห็คนเป็นมันน่ารัก ต้อไปดูคนตายเห็นจะเห็นว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวเราอยู่กับคนตายเพียงแต่ว่าเขายังหายใจได้เท่านั้นเองพอเขาไม่หายใจปุ๊บเราไม่เก็บไว้ในบ้านเขาใช่ไหมยกให้สับเปลืองเลยแต่ถ้ายังหายใจอยู่นี่ใครมาแย่งไม่ได้นะฆ่ากันตายเนะีแ <laughs> ย่งผีกันด้วยย่างซากศพกัน เพแต่พอยังหายใจเราก็จะไม่เรียวกว่าเป็นซากศพแต่นี่พอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็บายบายนะไปเลยเชิญสับเบลามารับไปเลย <c oughs> ถ้าเป็นพระสัจจีดาคามีนี้ท่านจะลดความความอยากได้ครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งเบาบางลงคือท่านมองเห็นบางบางทีก็มองเห็นบางทีก็มองไม่เห็น เ, เลยทำให้ความอยากนี้เบาบางตอนที่เป็นสวดาบานนี้มันไม่เห็นเลยไม่เห็นอสุภะเลยแต่พอมันเริ่มมาพิจารณาสุภะแล้วก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางทีก็ลืมบางทีก็ไม่ลืมบางทีก็เห็นอันนี้ก็ได้เป็นพระสะกิดาคามีท่านที่สองคือลดความอยากลงได้แต่ครึ่งหนึ่งเบื่อเบื่อยากอยากบางทีก็เบื่อบางทีก็อยากถ้านึกถึงอสุภะก็เบื่อ มนึกไม่เนิกนึกถึง่าสุภาพก็อยา่านี่ก็ขั้นที่สองถ้าได้เป็นขั้นที่สองนี้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเพราะมันไม่อยากจะกลับมาแล้วมนี่ยจะกลับมาทําไมกลับมาอยู่กับผีกลับมาอยู่กับซากศพแล้วพอขยับขึ้นสู่ขั้นที่สามได้ขั้นอนานาคามนินี้ท่านจะเห็นตลอดเวลาเลยท่านจะไม่เผลอเลย มองร่างกายทีไรคิดถึงร่างกายทีไรก็จะเหมือนกับมองเห็นผิวผิวผิวที่ใสเหมือนกับถุงพลาสติกนมองเข้าไปมองทะลุเห็นอวัยวะต่างๆทุกครั้งเห็นคนนี่จะเห็นทะลุไปหมดเลยเมื่อเห็นอวัยวะต่างๆภายใต้ผิวหนังมันก็เลยไม่มีความอยากอยากไม่อยากความรักความค่ยมันไม่เกิด เห็นแล้วมันเห็นแต่ภาพที่ไม่น่าดูอย่างถ้าเห็นกระโหลกศีรษะเราเนี่ยเราเนียถ้าเราเห็นกระโหลกศีรษะของคนนี่เรายังจะไปลักเขาหรือเปล่าแต่มันมีผิวบางๆบังไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีปัญญานี้ผิวบางๆก็บังไม่อยู่ปัญญานี้มองทะลุได้หมดเลยคืออสุภะเราต้องนึกบ่อยๆนึกถึงโครงกระดูกนึกถึงกระโหลกศีรษะ นึกถึงอวัยวะต่างๆบอดหัวใจกระเพาะลำไส้ตับไตมายำนึกบ่อยๆเวลาถ้ายังไม่เคยเห็นก็ไปเปิดดูหนังสือก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีภาพถ่ายให้ดูหือหนังสือของนักศึกษาแพทย์ที่เขาเรียนอวัยวะต่างๆก็เหมือนกันดูแล้วก็มาจำประจวบมาจำไนวะ้ ไม่ให้หลงไมง่เวลาเห็นร่างกายของใครต้องนึกถึงอาการเหล่านี้ได้ได้ถ้านึกได้แล้วต่อให้เห็นดาลราภาพยนตร์หล่อขนาดไหนสวยขนาดไหนก็ก็จะก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีความยินดีไม่มีความอยากจะให้เขามาเป็นแฟนเรา <c oughs> ถ้าได้ขั้นนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะมนุษยจะกลับมาทำไม ที่กลับมาเกิดมนุษย์กันก็เพื่อมาเสกกลางกังนะมาหาความสุขจากการมีแฟนหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานแต่ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายอันนี้คือเรื่องของอาการซื้อประกันของพระพุทธศาสนามีสองระดับระดับแรกเรียกว่าประกันภัย คกอรักษาศีลห้าแล้วทำบุญอย่างยากโยมวันนี้มาทำบุญแล้วรั ก, รกษาศีลห้าได้ถ้าสามารถทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตตายไปนี่ก็ไปสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในอันบาถ้าไม่ได้ทำบาปห้าข้อถ้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณี ไม่ได้พูดปลดไม่ได้เสพโรดายามาจะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องไปเกิดตายบาปแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เรื่อยๆยังไม่ได้เป็นโสดาบางังไม่เหมือนกับโสดาบางังโสดาบันนี่ท่านเห็นผู้ที่ไปเกิดในยบาปและท่านเห็ น, นบายแต่พวกเราที่ถือศีลห้ากับทำบุญนี่ยังไม่เห็นเพียงแต่ว่าเชื่อ เชื่อคำสอนของคนที่เห็นเชื่อพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำบุญสอนให้เรารักษาศีลแล้วพระพุทธเจ้ารับประกันว่าตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบายเหมือนกับคนที่เขาซื้อประกันชีวิตของเราใช่ไหมเขาเชื่อว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเสียชีวิตเขาจะได้รับการชดเชยใช่ไหมถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ซื้ออันนี้พวกเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าถึงแม้เรายังไม่เห็นอบาย เรายังไม่เห็นว่าตัวเราผู้ที่ไปเกิดในบานี้เป็นอย่างไรเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างไรเราก็เชื่อไว้ก่อนถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรารักษาศีห้าได้ทำบุญตามตามอัตภาพมีมากมีน้อยก็ทำไปถ้าทามากก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์นานหน่อยถ้าทำน้อยก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ไม่นาน ส่วนเสียนี้ถ้าไม่รักษาก็ต้องไปรับผลต้องไปติดกุกในอบายถ้าฆ่าถ้าทำบาลด้วยความจำเป็นตด้วยความจำเป็นนักคิดว่าไม่มีตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปรับผลบาปที่ไหนคือตะทำบาลด้วยความไม่รู้ว่ามีมีอบายรออยู่ตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าทำบาลด้วยความโลภ มีพอมีพอกินแล้วแต่ยังอยากรวยก็ทารวยด้วยวิธีทำบาปช่อโกงหลอกลวงขายประกันแบบหลอกลวงองนี้อันนี้ก็เลยาทาบาด้วยความโลภเพราะว่าเราไม่ต้องทำบาดด้วยความโลภเราก็พอกินแล้วขายแบบสุดจริตล้วก็พออยู่ได้แล้วแต่เราอยากจะรวยอยากจะซื้อของแพงๆมาใช้ก็เลยหลอกลวงคนที่เขาซื้อประกันอย่าง ถ้าเราทําด้วยความหลอกลวงเพราะเราอยากจะร่ำอยากจะรห้นี่ก็เรียกว่าจะไปเป็นเปรตแล้วถ้าเราทําบาปเพราะความกลัวกลัวคนอื่นเขาจะมาแย่งลูกค้าเราเราก็เลยไปทําให้เขาตา ย, ยาสมมุติกรรมจัดคู่แข่งนี้อันนี้ก็จะไปเป็น อ, อสูรกา ย, ยาแล้วถ้าทํำบาปด้วยความอาฆาตเปราบารณ เคียดแค้นคู่แข่งเข้าม า, าทําเราก่อนเราก็เลยโกรธเขาก็ไปฆ่าเข า, เาด้วยความโกรธถ้าทําบาปด้วยความโกรธนี่ก็ไปนรกอบายมีอยู่สี่แดนและเหตุที่จะพาไปไปสู่แดนทั้งสนี้ก็คือเนี่ยความไม่รู้ไม่รู้บาปไม่รู้อบายก็เป็นเดราชฉาพวกเดราชานก็เหมือนเด็กไร้เดียงสา เหมืนเด็ก like ที่มาเกิดไม่รู้คุกรู้ตารางในรัฐารรนูญไม่มีใครสอนเลยว่าทํำบาปแล้วจะไปเป็นอะไรกันเขาก็ต้องทําเพราะว่าเขาต้องกินเขาต้องอยู่กันส่วนพวกเปรตนี่เป็นพวกโรคพอมีพอกินแล้วไม่พออยากล่ำอยากรวยอยากก็เลยเนี่ยช่อกรงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อจะได้ล่ําได้รวย ที่เราเห็นข่าวในหนังสือเพียงเนี่ยเป็นข่าวของเปรตทั้งนั้นเลยว่ากที่ทํำบาปเ พ, พื่อที่ตัวเองจะได้ น, น้ําจะได้รวยเนะี่ยแต่พวกนี้ก็ไม่กลัวเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีมเขาไม่รู้ว่าจะเขาจะไปเป็นเปรตเขาคิดว่าเป็นเรื่องโกหกกั น, น, นก็คล้ายๆเหมือนกับเดรลฉานที่ไม่รู้ว่าตายันแล้วต้องไปเป็นเดรลฉานพวกที่ทํำบาปเพราะเพราะความหิวเพราะความอยู่รอดเี่ย แลพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวก็เหมือนกันพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็เหมือนกันไปสี่ที่ด้วยกันทำบาปด้วยความไม่รู้ก็เป็นราชานทำบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นรศุลกายหรือผีก็าเรียกว่าผีและทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกอย่างเทวทัตเนี่ยทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท โมโหโกรธพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวันหน้าตายหน้าอย่างเธอมีมีปัญญาที่จะมาปกครองสงฆ์เลยขนาดสารีบุตรกับโมฆลานะเก่งกว่าเธอขนาดไหนเรายังไม่ตั้านไม่เป็นเลยแล้วเธอมันจะมาขอเป็นได้อย่างไรพวกแค่นี้ก็โกรธก็เลยพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้ง ย่างคนไปฆ่าก็ไม่สำเร็จปล่อยช้างมาเหยียบก็ไม่สำเร็จกิ้พุกกินก้อนเห็นลงมาจากเขาเพื่อจะมาให้ทับก็ไม่สำเร็จการพยายามจะฆ่าพระเจ้าสามครั้งนี้ท่านเรียกว่าเป็นโทษที่หนักมากเป็นโทษเป็นบาปที่หนักที่สุดบาปหนักนี้มีอยู่ห้าข้อมีอยู่สี่ข้อที่เรียกอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าพระอหรหันต์และทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดไม่ต้องถึงกับฆ่าพระพุทธเจ้านี่ใครไม่มีปัญญาจะฆ่าพระพุทธเจ้าได้ทำได้อย่างมากก็ทำให้ห้อเลือดเช่นเทวทัศกิ่งกิ่งเข็นลงมาสเกตเห็นก็ไปกระทบกับเท้าของพุทธเจ้าทำให้ห่อเลือดขึ้นเล <c oughs> ก็เลยทำให้พอเทวทัตตายไปก็ต้องไปอยู่ในอบายแต่ ไปเกิดในนรกไปติดคุกในนรกทั้งๆที่ได้ทำบุญบวชมาเป็นพระตัต้งยี่สิบกว่าปีแต่บุญนี่มีกำลังน้อยกว่าบาปที่ทำไว้บาปก็เลยดึงไปให้ใช้ให้ไปติดคุกในในนรกก่อนแต่หลังจากใช้กรรมในนรกหวดแล้วบุญที่ทำไว้ขนาดที่บวชก็จะพาให้ไ ป, เ ป, เ, ปเป็นพระพุทธเจ้ า, า ต, ต่อไปเป็นพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าต่อไป บ, ไบุไม่หมดบาไม่หมดเพียงแต่ว่ามันจะเรียงคิวใช้กันใครมีกำลังมากกว่าก็ไปก่อนใครมีกำลังน้อยกว่าก็รอไปก่อนนี่แหละคือเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องที่พระเจ้าต้องมาขายประกันภัยประกันชีวิตให้กับพวกเราถ้าเราต้องการที่จะมีบีประกันภยัยตายไปแล้วไม่ไปเกิดอบายก็ อย่าทำบาปรักษาศีลห้างให้ได้แล้วถ้าอยากจะไปเที่ยวสวรรค์ก็ทำบุญถ้าไม่ทำบาปแล้วทำบุญตายไปก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์เสร็จแล้วพอจากสวรรค์ลงมาก็กลับมาเกิดเป็นคนมาเป็นมนุษย์อย่างพระเวชสันดรเ น, นี่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ทำบุญท่านก็รักษาศีลไม่ทำบาปพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ แล้วพอบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธัตถะมารับเงินทองที่ได้ทำบุญไว้เงินทองที่เราทำบุญนี้เหมือนกับเงินเราฝากไว้ในธนาคารเดี๋ยวชาติหน้าเราก็กลับมาเบิกได้กลับมารวยกว่าเก่าเพราะมีดอกเบี้ยให้ด้วยคนที่ทำบุญเนี่ยเราไม่ทำบาปตายไปก็ไปสวรรค์พอเรากลับมาเกิดก็จะมาเกิดร่ำรวยกว่าอดีต ชาตินี้โวยขนาดนี้ชาติหน้าโวยกว่านี้ถ้าเราได้ทำบุญแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญรักษาศีลอย่างเดียวตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่าเดิมไม่รวยกว่าเดิมไม่จดกว่าเดิมนีเรื่องของสินค้าของพระพุทธศาสนามีหลายหลายชนิดด้วยกันเลือกซื้อได้ ้ถ้าอยากจะประกันชีวิตอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องถือศีลแปศีลห้าไม่พอแล้วก็ต้องไปอยู่ว si pues, ัดไปอยู่ที่สงบคนเดียวไปฝึกทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะเห็นอบายเห็นเห็นเห็นเห็นตัวตัวของผู้ที่จะไปติดในอบายคือใจพอเห็นแล้วก็จะได้ไม่กล้าก็จะหยุดความอยากต่างๆ เราะจะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปพอหยุดความอยากทั้งสามได้หยุดก า, า, าะวะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้พอตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดเพราะวิทธเจ้าพระสาวโลกนี้ท่านไม่กลับมาเกิดแล้วแต่ท่านไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่เราไม่สามารถติดต่อกับท่านได้เท่านี้ท่านยังอยู่เพราะใจของท่านไม่มีวันตายเหมือนใจของพวกเราก็ไม่มีวันตาย แต่ว่าใจของเราถ้ายังมีความอยากอยู่พอตายไปมันก็กลับมามีร่างกาย เ, ยเดี๋ยวชาติหน้าเราก็มาเจอกันอีกเคยเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็เจอกันอีกพอเจอกันพอเห็นหน้ากันก็ก็ชอบกันนี่แสดงว่าเป็นเพื่อนกันกถ้าเจอกันแล้วเกลียดกันนี่แสดงว่าเคยเป็นศัตรูกันมาทำไมคนบางคนเจอปั๊บไม่ชอบที่หน้าเลย แทำไมค น, มนคนเจอภ้างเราชอบอ่ะเพราะว่าเอา่อก็เรียกอะไรนะใจเนี้ยที่แสดงผ่านทางร่างกายเนี้ยมันเหมือนเดิมก็เรียกว่าอธัธยาศัยใจคอของคนนี้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ร่างกายแต่เมื่อหน้าตาของคนนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เราเห็นอัอธยาศัยของเขากิริยาของเขาการพูดการจาของเขาเนี้ยทำให้เราชอบ เลือเกียดก็เพราะว่าเราเคยชอบเคยเกลียดคนแบบนี้มาก่อนพอมาเจอกันก็อชอบทันทีเกลียดทันทีในของความความชอบความเกลียดนี้มันอยู่ในใจเรามันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเคยชอบอะไรเรากลับมาเกิดชาตินี้เราก็ชอบแบบเดียวกันเคยชอบสีเหลืองสีดำล้วก็จะชอบสีเหลืองสีดำชอบสีเขียวสีแดงก็จะชอบสีเขียวสีแดง ชอบไปวัดก็จะไปวัดชอบไปไปบาก็จะไปบาไปผับก็ไปผับแล้วแต่ชอบอะไรมันอันนี้มันไม่มันมันไม่หายไปมันติดไปกับใจของเราชอบใช้มือขวามันก็จะใช้มือขวาชอบใช้มือซ้ายมันก็จะใช้มือซ้ายนี่มันมันเครื่องยืนยันว่าใจไม่ตายไปกับร่างกายถ้ามันตายไปลูกของพ่อแม่คนเดียวกันมันต้องถนัดขวาเหมือนกันหมดเลยทําไมบางคนถนัดขวาบางคนถนัดซ้าย บางคนชอบก๋วยเตี๋ยวบางคนชอบมาม่าอเงี้ยอ่ะมันอดีตมันไม่ชอบมันมีความชอบไม่ชอบมาไม่เหมือนกันมันไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ตัวจิตตัวใจนี่ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ตัวร่างกายนี่เหมือนกันหน้าตาเป็นฝาแผดเหมือนกันเลยแต่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันพอใจไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ใจมาจากที่อื่นใจจะมาจากชาติก่อนที่ตายไปแล้ว แล้วไปใช้บุญหมดด้วยใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาได้ร่างกายอีกหน่งแพอดีมาได้ร่างกายที่เดียวกันก็เลยเป็นฝาแฝดกันเป็นพี่น้องกันแต่อริสัยใจคอไม่เหมือนกัน <c oughs> อันนี้มันก็พิสูจน์ได้ว่า <c oughs> ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <c oughs> ถ้าใจมาจากพ่อแม่คนเดียวกันฝาแฝดมันก็ต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่เหมือนกันทุกอย่าง ไม่เหมือนต้นไม้เนี่ยนะไมผลไม้ออกมาทุกลูกเหมือนกันไหมกินรสดเดียวกันหมดใช่ไหมบราระกรมาจะต้นเดียวกันนี้มันกินลูกไหนมันก็เหมือนกันทนะั้งนั้นแต่คนที่มาเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันนี้นิสัยไม่เหมือนกันพี่น้องคนชอบกินเหล้าคนชอบเข้าวัดใส่บาทรทำบุญเนี่ยทำไมมันมันมาจากไหนบางทีพ่อแม่ก็ไม่ไดไ้ไม่เคยเข้าวัดก็มี แลูกบางคนกลับอยากเข้าวัดก่นอน mm hmm. เพราะชาติก่อนก็เคยเข้าวัดเขาเคยทําบุญมาก่อนแต่ mm hmm. พ่อแม่ชาติก่อนไม่เคยทําบุญมาก่อนก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เข้าวัดเนี mm ่ย hmm. ใจเนี่ยที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเนี่ยไม่ตายไปกับร่างกาย mm hmm. ใจที่ชอบทําบุญใจที่ชอบทําบาปใจที่ ชอบสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเนี่ยมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่มันยังกลับมาเกิดอยู่เพราะมันมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือมันมีความอยากเหมือนกันใจพวกเราทั้งหมดเนี่ยมีเหมือนกันคือไอ้ความอยากสามตัวเนี่ยอยากในรูปเสียงกลิ่นล้อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้พ่อแม่ไม่ต้องสอนเลยใช่ไหมหนูไปเที่ยวไมไม่ต้องสอนมือแต่ ชวนพ่อชวนแม่ขอพ่อขอแม่ไปเที่ยวอยากล่ามอยากรวยนี่ไม่ต้องสอนอยากรวยกันทุกคนอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากเจริญในลาบยศสารเสริญ ส, สุขไม่อยากไม่อยากให้ลาบยศสารเสริญ ส, สุขเสื่อมอันนี้เหมือนกันหมดที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดเดละช้าก็เหมือนกัน พวกที่มาเกิดในการมาพบเนี่ยมีการเป็นตัวพามีความอยากในการพามาพาให้มาเกิดกั น, นการมาพบนี้มีตั้งแต่เทวดาลงมาเนี่ยเทวดานี้ก็ยังมีการไปเสพการแต่ไปเสพ ร, รูปทิพเสียงทิพเนี่ยเวลาไปสวรรค์ น, นี่ก็ไปเสพ ร, รูปทิพเสียงทิพเหมือนกันเเนนบ เ, เวลานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับแล้วฝันดีฝันว่าไปเที่ยวที่นู่นที่นีนะ่ตอนนั้นกําลังเป็นเทวดากําลังเที่ยวอยู่ในโลกทิพอยู่ เราไม่ได้ใช้ร่างกายนเวลานอนหลับเราไม่ได้เราหลับตานอนแต่ทำไมตาทิพย์กับมองเห็นกับมองเห็นว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินนด้นนู่นไปกินนี่ไปพบคนนั้นพบคนนี้อันนั้นละ่ะตอนนั้นใจนี่แหละเป็นเทวดาแต่ถ้าเวลามีร่างกายก็เป็นเทวดาชั่วคราวเดี๋ยวสักเดี๋ยวพอร่างกายตื่นขึ้นมาก็ต้องกลับเข้ามาอยู่กับร่างกายแต่เวลาที่ร่างกายนอนพัก จันก็หนีไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเที่ยวสวรรค์หรือไปนรกก็แล้วแต่บุญกับบาปที่ทำเนี่ยถ้าทำบุญบุญก็ส่งให้ไปเที่ยวสวรรค์กันถ้าทำบาปก็ส่งให้ไปเที่ยวนรกไปฝันร้ายกันเวลานอนหลับฝันร้ายนี่ก็แสดงว่าไปอาบายกันไปเจออันตรายต่างๆไปเจอปัญหาต่างๆไปเจอเรื่องวุ่นวายต่างๆเพราะทาบาปกัน อันนี้ก็เป็นหนังตัวอย่างของสวรรค์นรกที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วขณ<ม>ะที่เรายังมีชีวิตอยู่ช่วงที่เราฝันเนี่ยมันเป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างถ้าเราฝันดีก็แสดงว่า เ, ออเราได้เรามีสวรรค์รอเราอยู่ถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเรามีอบายรอเราอยู่ทีเวลาตายไปก็อยู่ที่ว่าบาปกระบุญอันไหนมันจะมีกาลังมากกว่า ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ไปดูหนังดีก่อนไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมีกำลังมากกว่าคิวบาปมันละมันมาเร็วกว่าก็ไปดูไปฝันร้ายก่อนไปอบายก่อนไปเที่ยวในอบายก่อนไปติดคุกในอบายก่อนแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดถ้ายังไม่ได้มาตัดความอยากสามตัวนี้จะตัดความอยากสามตัวก็ต้องถือสีแปดไปอยู่แบบนัก บ, บวช ทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งสามีภรรยาทิ้งลูกทิ้งสมบัติแล้วก็ไปนั่งทําใจให้สงบถ้าใจสงบ ก, ก็จะมีกำลังหยุดความอยากได้แล้วถ้ามีปัญญาเห็นว่าถ้าไม่หยุดความอยากก็ต้องกลับมาเวียนว่าตาเกิดอยู่เรื่อยมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระหลเนท่านหยุดความอยากสามตัวนี้ได้ ท่านก็ซื้อประกันชประกันชีวิตได้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> นี่แหละพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัยที่พวกเราไม่รู้จักกันพวกเรานี่เรามาว่ากันนี่เรามาซื้อประกันสองชนิดซื้อประกันภัยกับซื้อประกันชีวิต แต่ส่วนใหญ่จะซื้อประกันภัยกันประกันชีวิตไม่ค่อยมีใครอยากจะซื้อกันพเพราะมันแพงมันยากใช่ไหอประกันภัยมันง่ายมันถูกทำบุญรักษาศีลห้าได้แล้วแต่ถ้าจะประกันชีวิตไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายนี่ต้องต้องไปบวชกันหรืออยู่แบบนักบวชกันต้องถือศีลแปดขึ้นไป สินแปสินสิบสินสองเจเนี่ยเป็นสินของนักบวชแล้วก็ตั้งนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสติควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ใจคิดคิดแล้วมันไม่สงบถ้าหยุดคิดแล้วมันถึงจะสงบจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีสติอยูม่มันถ้าไม่มีก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าเราบรยการพุโทโธพุโทโธเราก็จะไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้คิดถึงแฟนไม่ได้คิดถึงเงินทองไม่ได้พอเราไม่คิดถึงมันความอยากจะได้เงินทองคิดนได้แฟนมันก็หายไปใจก็สงบใจก็มีความสุขขึ้นมาได้เป็นความสุขที่ดีกว่าการมีแฟนมีเงินมีทองคนที่เขาอยู่แบบนัก บ, บวชได้เพราะเขามีความสุขแบบนี้ทาให้เขาอยู่ตอยู่ลาตามลาพังได้ ก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจถ้าใจสงบแล้วอยู่คนเดียวจะไม่เหงาแต่ถ้าใจไม่สงบนี่เวลาอยู่คนเดียวมันจะเหงาเพราะว่าความอยากนี่มันคอยกระทุ้งใจอยู่เลยคอยทิ่มแทงใจทำให้หงุดหงิดลำคาญใจทำให้เศร้าสอยเศร้าโอยงอยเหงาว้าเหวจนทนอยู่ไม่ได้ต้องไปหาเพื่อนหาแฟนต้องไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่กันแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้หยุดความคิดได้ ความอยากมันจะไม่มีมันก็จะอยู่เฉยๆคนเดียวอย่างมีความสุขได้แล้วถ้ามันเห็นว่าเห็นว่าความอยากนี้จะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้ต้องกลับมาเกิดต้องไปถังอะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็หยุดตัดความอยากต่อไปก็ไม่มีความอยากลงหนึ่งอยู่ภายในใจก็ได้จ่ายค่าประกันเต็มที่เนี่ย าอายุดความอยากสามตัวนี้ได้ก็ถือว่าได้จ่ายค่าประกันเต็มที่แนละ้วนับประกันได้รับรองตายไปแล้วไม่กลับมาตายอีกครั้งหนึ่งชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปชาตินี้ไม่ได้ซื้อประกันไว้ก็เลยต้องตายชาตินี้เราไม่ได้ซื้อประกันเราไม่มันต้องซื้อล่วงหน้าก่อนอันนี้ต้องซื้อก่อนที่จะมาเกิด ถ้าซื้อประกั น, นสำหรับชาติหน้าชาตินี้เราซื้อประกันสำหรับชาติหน้าชาติหน้าเราก็ไม่กลับมาเกิด mm hmm. เมื่อเราไม่เกิดเราก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอาละนะคิดว่าพอสงวนแก่เวลา mm hmm. ะอะ่ามุ่มทนาให้พรออย่าท mm ้าวเรว่าหาปลวาราปลายุเรนติสักรัง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 มาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีดิสัติจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมวะทาติอายุวโนสุขังอะระ อย่าน้อยก็ต้องซื้อประกันอย่างได้อย่างหนึ่งนะ <c oughs> ประกันชีวิตไม่ได้ก็ประกันภัยไว้ก่อนก็ยังดีจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอาบายกันเนะชื่อพระเจ้าเถต่ถ้าไม่หลอกลวงเราล่ะซื้อประกันแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สูญตารับรองได้อาจารย์เปรียบเทียบได้ชัดเจนมาก ก็ไม่ได้คิดเมื่อก่อนพอดีมีประเด็นให้พูดกันเลยพี่เคยฟังการเปรียบเทียบเนี่ยมันมันเปนเรียบเทียบมันนทำให้เราเห็นธรรมนะเห็นคุณค่าของธรรมนะถ้าเราเอาแต่ตัวธรรมะนี้เราจะไม่เข้าใจว่าทาไปทําไมรักษาศีลไปทําไมทําบิณไปทํำไมปฏิบัติธรรมไปทําไมจริงชีวิตเราบิงหลงนะคะ ก็หลงมันไม่ให้บางทีอ่ะมันหลงตลอดเวลาถึงต้องมาหาคนไม่หลงห า, า พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านหนึ่งคนรู้ทางพวกเรายัางติดอยู่แถววงเวยเียนนู้นเสาวรอย่เงยหลงอยู่ทางโลกมากเกินไปหลงอยู่การรายยศสรรเสริญสุี่ยก็วนเวยียนอยู่เนี่ยกับไอ้ไอ้ตันหาสามตัวเนี้ยกามาตันหาภาวะตันหายภาวะตันนีนก็เลยทําให้เราติด กับการมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะหลงต่อไปบางคนเจอแล้วก็ยังหลงต่อไปเพราะไม่สนใจเพราะไม่เชื่อคนที่เชื่อก็ได้รับประโยชน์ซื้อประกันกันก็ปลอดภัยคนไม่เชื่อบริษัทประกันนี้ก็ไม่ซื้อ ก็ตายต่อไปตายไม่รู้กี่ล้านครั้งถ้าไม่หยุ ด, ดความอยากสามตัวนี้ยังต้องตายต่อไปแต่อย่างน้อยถ้าซื้อประกันไทยก็อย่างน้อยก็จะกลับมาเกิดในภพที่ดีเกิดในสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องแบกเปิ น, นาบายแต่ยังต้องตายอยู่ถ้าไม่อยากตายก็ต้องไปบวชอยู่กับนักบวช แล้วก็ไปตัดความอยากให้หมดประซอมไม่ตรงันแล้วเอากระดาษมาให้เราเอาเช็คมาให้เราทำยังไงด้วยนะเช็คของค่ะอย่าไม่เซมาทุกคนวันนี้จะมาซื้อประกันไทยนมีมาจ่ายค่าประกันไทยเนี่ย ตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่จาก390ตอนนี้เหลือแล้วสามเอค่ะอตอนนี้ไม่ถึง400ร้อนะแต่ในวิทยุ18คนค่ะสิบแปดทางยูทูบสี่สิบค่ะสี่สิบอ่าของภาษาไทยก่อนคือมีในอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณคิตตี้ค่ะเวลาเรากรวดน้ำ เราสามารถตรวจให้ได้ทั้งคนตายและคนเป็นหรือเปล่าเจ้าคะคถ้าตรวดให้คนเป็นไม่ได้เราจะมีวิธีส่งบุญให้คนเป็นโดยวิธีไหนเจ้าคะก็เอาเงินที่เราไปทําบุญนี้ให้กับเขาเลยเนาะเพราะบุญเขากินเม็ดเขาใช้ไม่ได้คนที่มีชีวิตอยู่นะี่เขาต้องเอาเงินเพราะเขาต้องเอาเงินไปซื้อกับข้าวกับปลาซื้อของที่จําเป็นที่เราส่งบุญไปเพราะว่าบุญเป็นอาหารของคนตายคือใจนี่มัน ใจนี่มันกินบุญมันไม่ได้กินอาหาร<ม>เวลาเรากินอาหารให้ร่างกายเนี่ยใจก็อิ่มไปกับร่างใจไม่ได้อิ่มไปกับร่างกายใ <Okay. S 1> จ ย, ยังหิวอยู่แต่ถ้าเรามาทําบุญนี่ใจเราถึงจะอิ่ ถ, ถ้าเราอยากจะให้คนที่มีชีวิตอยู่มีบุญก็ให้เงินเขาแล้วก็บอกเขาว่าทําบุญนะแต่เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้เพียงแต่ให้เงินเขาถ้าสมมติเขาไม่มีเงินทําบุญเราก็ให้เงินเข้าไป เราบอกว่าทําบุญแล้วจะมีความสุขนะแต่ไปสั่งก็ไม่ได้เพราะถ้าไปสั่งไปบังคับเขาถ้าก็ทําโดยที่เขาถูกบังคับเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเราให้เขารู้สึกว่าเงินที่เป็นของเขาแล้วเขาต้องเสียสละเงินนี้เพื่อทําบุญนี้เราถึงจะได้ได้ความสุขแล้วที่เราแผ่ส่วนกุศลให้กับคนเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ได้ไหมคะเหมือนกันคะก็เหมือนกันอะไม่ได้บุไม่ได้ คนคนเป็นนี่เราต้องแผ่ด้วยเงี้ยแผ่เมตตาเชนเอาเขาเอาของไปแจกจ่ายกันนี้แหละแผ่เมตตาไม่สมมติเราไปทําบุญมาแล้วเราแล้วเราแเราผ่นไม่ได้หรอของใครของมันเยันเราก็ไม่ต้องทำเราอยู่บ้านให้คนอื่นไปทาแทนเราที่บอกว่าสมบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่ยังมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยหรอกเจ้กรรมในเวรก็ต้องไปจ่ายเงินให้เข้าถึงจะหมดเวรหมดกรรมเป็นนี่เขาก็ไปจ่ายเงินให้เข้าสิ เอพอจ่ายเงินนะเขาก็ไม่มาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเราเป็นหนี่เขาเขาก็ต้อมาตามเรืองนี้อย่างนี้เขาไม่ต้องการบุนกุศลเขาต้องการเงินอาจารไหมเราไปทําให้เขาเสียหายแล้วต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับเขาเขาก็จะไม่มีไม่มาจองเวรจองกรรมเราอย่าไปแรกเราไปย่างแฟนเข้ามาก็เอาแฟนไปคืนเขาแค่ เขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมแล้วไม่ช่าแผนก็มาแล้วก็ไปแผ่ไปทําบุญที่ไหนแล้วบอกผมทําบุญให้คุณแล้วเนะี่ยไม่ได้หรอกอเขาไม่ได้รับก็มไม่มีส่วนที่จะรับบุญที่เราทำํำว่าจา่าแผ่เมตตา ก, ก็ไม่ได้หรอคะเมตตา ก, ก็ต้องมีของแผง่แต่ไม่ใช่เนึกเฉยเฉยอ๋อก็รู้ใหม่ค่ะ ทำผิดมทั้งใจเขาใช่เลยมันนั่งเฉยเฉยมันไปแผ่เมตตาเอาอะไรแผ่เขาต้องแผ่ตอนต้องแผ่เวลาเขาเป็นหนี้เราเราก็ยกหนี้ให้เขาไปสินีแผ่เมตตาพาใจไหมพอใจพอแผนตอนนี้เขาจะรักเราทันทีเลยใช่ไหมยกหนี้เขาไปสิรดยเขาเป็นหนี้เราแล้วเขามายอมจ่ายก็ไม่มีจ่าย เราก็ยกนี่ไปให้เขาไปเลยอ่ะนั่หมายคําว่าถ้าเรามีเจ้ากรรมในเวยเนี้ยค่ะก็แนน่อาจจะเดินเข้าไปถามเขาเลยว่าเขาอยากได้อะไรมีปัญหาอะไรกันใจะได้จบอยากได้แล้วก็ให้เขาไปอใช่นั่นแหละแบบนี้เลยนะคะใช่ที่ที่ประมาคืนบางทีเขาต้องการชีวิตก็ต้องให้เขาทีพระโมกขานะนี่ท่านต้องยามเสียชีวิตเจ้ากรรมในเวนตามจะฆ่าท่าน ท่านบอกว่าถึงแม้ใช้อิทธิฤทธิ์บริหารหนียังไงเดี๋ยวเขาตามอยู่นั่นตามได้ที่เขายังไม่ได้ทําตามที่เขาต้องการจะทําเขาจะตามไปเรื่อยๆพอเรายอมให้เขาทาสิ่งที่เขาอยากจะทํากับเราแล้วเขาก็จะไม่กลับมาทํานี้มันก็จะหมดกันเขาต้องการเอาเงินเราไปกู้เงินเขาแล้วยืมเงินเขาแล้วไม่ใช้เขาก็ตามอยู่เรื่อยๆล้วก็หาเงินมาจ่ายเขาสิเอาจ่ายก็เสร็จเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้ว ไปเอาแฟนเข้ามาก็าคืนเข้าไปถ้าก็าต้องการแฟงก็คืนไปเอาลูกเข้าม า, าของเข้ามาก็ต้องคืนกข้าไปไปทําความเสียหายก็ต้องเชิดช้ชดใช้ให้เขาขบับแรถไปชนก็แล้วหนีเขาก็ตาย ม, ม า, ยาดีอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนั้นในทางโลกที่เราเห็นเห็นอย่างนี้ยสมมติว่าเราไม่ได้ไปทําสิ่งนั้นในสิ่งที่เราเห็นเงนี้ยแต่เราโดนจะทําเราควรจะต้องจัดการปัญหา ย, ยัางไงค ทำอะไรเช่นสมมติว่าคนจะทำผิดต่อเราในเรื่องที่ไม่ถูกต้องในทางโลกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอแต่ถ้าเกิดในทางธรรมเรารุกขึ้นมาตอบโต้มันก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องติดกรรมกับเขาไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเกิดในทางโลกการที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ต้องปล่อยให้เรื่องผิดอย่างนี้นมันเป็นอยู่แล้วบางครั้งมันก็เกิดซ้าๆนี้นะะค่ะเราควรทาไงคะ ก็เราก็ต้องช่างน้าหนักว่าเราเราเราเราต้องการอะไรมากกว่ากันถ้าเราต้องการให้เขาไม่ทำความผิดเราก็ต้องไปจัดการให้เขาเลือกทำความผิดเช่ยป้องน้องจับเขาเข้าคุกเข้าตารางเขาก็จะกกอธเราเกียดเราเขาออกจากคุกเขาจะมาตามฆ่าเราหรือถ้าเราปล่อยเขาทำผิดไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวปล่อยให้กรรมมัน ฉนองมันเองไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็เขาก็ต้องเจออะไรทั้งอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขาก็จะไม่มีเวรมีกรรมอะไรอาจจะคนอื่นทนไม่ไหวเข้ามาแทนทำแทนเราไปใครใครทําอะไระก็ต้องรับผลของกา ร, รนั้นแปละแล้วคำถามต่อคะ่ะที่พระอาจารย์บอกว่าคนมีหลายประเภท คนบางคนเนี strange, ่ยเขาอาจจะเป็นเหมืนมีจิตเป็นเปรตหรือว่าเดราจฉานอะไรต่างๆนั่นหมายความว่าถ้าชีวิตเราอะค่ะเราต้องอยู่กับคนที่เป็นแบบนี้แล้วต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเราต้องใช้ชีวิตอะไรอย่างไรค่ะเราก็ใช้ชีวิตของมนุษย์ไปเขาเป็นเปรตก็เรื่องของเขาเขาเป็นเดรัจฉานก็เรื่องของเขาเรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไปเราก็ไม่ทําเป็นเปรตกับเขาไม่เป็นนั่นเดรัจฉานกับเขาการที่เราคิดว่าเราอ่ะ จะทำให้เขาพูดคุยเพื่อให้เขาได้คิดในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเสี่ยงแรงเปล่านี่คะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าบางครั้งมันไม่เข้าเพราะเขาไม่รู้มันก็อยู่ที่<ม>ว่าเขาเขาเขายินดีจะฟังเรารึเปะ่ายินดีที่จะทำตามที่เราบอกหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีก็เสียเวลา คนบางคนก็อาจจะไม่รู้นะเขาอยากจะมีคนที่รู้สอนเขาบอกเขาแล้วก็สอนก็ได้บอกก็ได้นะเขาก็อาจจะปรับตัวเขาเองให้ดีขึ้นได้เพราะวันที่เขาทําโดยที่เขาไม่รู้ตัวเราก็ต้องมีอาศัยคนที่รู้เป็นเป็นที่พึ่งนผู้ให้ให้ข้อมูลมก็อยู่ที่เขาว่าเขายินดีที่จะรับฟังคําสั่งคําสอนของเราหรือเปล่า ถ้าเขาไม่รับฟังก็เหมือนเทน้ําใส่หลังสุนัขเห็นไหมใคร เ, เห็นเวลาเทน้ําใส่หลังสุนัขไหมมันสลบเสียดายน้ำํำไหมเก็บน้ําไม่กินดีกว่าความหลังดีของเราก็เป็นเหงินน้ําที่จะให้กับคนความเมตตาเนี่ยอยากจะสอนเา้าสอนนี่ก็เพื่อให้เขาได้ดีได้ดีแก้ไขปัญหาของเขา แต่ถ้าก็เป็นแบบโซนักเนี่ยเราเราเทน้ําไปก็เสียเวลาเปล่าๆแล้วมันจะกลับมากัดเราด้วยถ้ามันกัดได้อยู่ดีๆเราไม่เอาน้ำ ม, มาเทใส่หลังกู่เขาอยู่ของเขาดีอยู่แล้วเราไปยุ่งกับเขาทําไ ม, มเขาไม่เขาไม่ได้มองว่าเป็นเจตนาดีแล้วก็จะมองว่าเจตนาดีแต่พบแต่ประสงค์ร้ายนั่นอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านถ้าเขาไมถา่ถ้าเขาไม่มาขอร้อง หรือถ้าเขาไม่อยู่ภายใต้หน้าที่ของเราเช่นลูกหลานเราเนี่เราก็ต้องสอนและต้องสั่งหมือนเพราะเป็นหน้าที่ของเราแต่ก็สอนได้สั่งได้ในขีดห น, นึ่งครั้งเองถ้ามันไม่ยอมรับก็ก็ต้องหยุดเหมือนกันถ้าเป็นจำที่จำชายเดียวมัน ก, ก็ก่อนเราอยู่ดีมันก็ไม่ทําตามเราอยู่ดีแล้วในแง่ของความจริงเนี่ยในบางเคสของเจ้ากรรมในเวเนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะ เดินเข้าไปถามเขาแบบที่อาจารย์บอกว่าเขาอยากได้อะไรสมมติว่ามันอยู่คนละที่กันเลยอนยะ่างเงี้ยเราต้องทําไงคะก็ต่างคน ต, <า>ตามอยู่ไปเลยแล้วก็เตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจรับวิบากของเราไปได้พิจารณาว่าท้ายที่สุดของหนึ่งอย่างที่เราหามาได้ในโลกนิจตาไปแล้วก็ไปไม่ได้อยู่ดีไม่แต่ชีวิตของเราเพราะงั้นยังไงก็ต้องเสียอยู่ดีถ้าเสียด้วยการใช้กรรมได้ก็ได้กําไรสัมต่อได้กำไร ได้ใช้กรรมด้วยแต่ถ้าตายแบบตายแบบโดยที่ไม่ได้ใช้กรรมมันก็ยังไม่ได้กาไรถ้าคีดนี้เราก็จะยินดีที่จะเสียยินดีที่จะตายเพืดชดชดชเพ่อเพื่อชดใช้เวรกรรมเอรกะางๆเราก็ต้องตายอยู่ดีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทางที่เราหามาได้มากมาย ก, ก็ต้องเสียไปอยู่ดีเวลาตายไปถ้าตายไปแบบที่ไม่ได้ชดใช้เวรกรรมหรืตายแบบชดใช้เวรกรรมันไหนจะดี ชาน้มันจะได้ไม่มาตามชาติหน้จะได้มมไดม่ต้องชดใช้เงินกลับคัะถ้าใช้ชาตินี้หมดไปแล้วถ้ายังไม่ได้ใช้ชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้ามันก็ตามมาเมาื่อยังมีวที่ไม่ต้องใช้กรรมก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็เขาก็ไม่สามารถตามตามตัวเราได้แล้วเราเป็นบุคคลหายสาบสูญแล้วเนีย่ยกลายไปตาม เอากรรมกับพระพุทธเจ้าผ้าลายไม่ไดนะ้เพราะท่านไม่มีตัวไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติไม่มีอะไรที่เราจะไปทำร้ายท่านได้นะคุณคิตตี้หนึ่งคำถามค่ะเวลาเราทำบุญแล้วเราส่งผลส่งผลบุญให้เพื่อนๆหรือคนที่เป็นกัลยาณมิตรพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับบุญจากเราโดยการสาทุกขอถามคข่าว่าเขาจะได้บุญจากเราจริงๆไหมคะ ไม่หรอกบุ่นที่เราทำนี่เป็นของเราเราแบ่งให้ใครไม่ได้นอกจากคนตายเราแบ่งได้เพียงนิดเดียวบุญที่เราทำนี่ร้อยบาทนี่แบ่งไม่ได้บาทเดียวเพราะว่ามันส่งไปได้เท่านั้นเหมือนส่งไปทางไปสีส่งไปไม่ได้หมดแล้วคนรับก็ไม่มีปัญญาที่จะรับได้มากม เ, ขาเขาเพียงแต่ต้องการอาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นเองเขาหิ ว, วนี่เราส่งบุญไป เย่า น, นั้นเขาก็เก็บไม่ได้กินไม่ได้กินไม่หมดเขาก็ต้องโยนทิ้งไป mm hmm. แั้นเราต้องทําทุกวันแล้วก็ส่งไปทุกวันส่งวันละเมือวันละเมืออย่างเนี้ก <c oughs> ระจายไหมเดี๋ยวต้องใส่บาตรทุกวันชาวบ้านก็ใส่บาตรทุกวัน mm hmm. ใส่บาตรแล้วก็กวนน้ําถ้าดวงวิญ ญ, ญาณรอรับอยู่ก็จะได้มารอรับทุกวันได้ mm hmm. เหมือนกันเราให้ของขอทานไปเยอะแยะขอทานล้วมีที่เก็บใช่ไหม ให้ไปมันเดียวมันก็ต้องทิ้งหรือให้คนอื่นไปเพราะมันมันไม่มีที่เก็บ<ม>นี่คือบุญที่อุทิศเป็นอย่างนี้อุทิศได้นิดเดียวแต่ก็พอยาใส้ไปวันวันหนึ่งส่วนคนเป็นนี่ถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องทําเองหรือทำไม่มีเงินทําก็ให้เงินเขาไป<ม>แล้วใเขาไปทําบุญนี้เขาก็จะได้บุญ<ม>อาถรรพ์มุมู่ธนาบุญ น, นี่มันเป็นบุญอีกแบบหนึ่ง เช่นเราไปทำบุญแล้วเากลับไปบอกคนที่บ้านว่าวันนี้ไปทำบุญนี้ถ้าคนที่บ้านเขาทราบแล้วเขาดีใจไปกับเราเขาก็ได้ความสุขแต่ถ้าเขาไม่ดีใจเพราะเขาไม่ชอบทำบุญนล้วเงินที่เราไปทำบุญส่วนหนึ่งเป็นของเขาเอย่างเงี้ยเขากลับอนุมโมทนาไม่ออก <c oughs> เขาก็จะทุกใจแทนที่จะสุขใจกับการทำบุญของเราแต่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังว่าถ้าอนุมโมทนาแล้วเขาจะมีความสุขเขาจะได้บุญ เขาก็อนุโมทนาเขาก็จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจที่ก็ที่เราเอาเงินของเขาไปทําบุญแต่มันเป็นเงินของด้วยกันทั้งของคนอ่ะ mm hmm. ไม่ได้ไปขโมยเป็นเงินที่เป็นเป็นสิทธิ์ของของคนทั้งสองคนที่จะใช้ร่วมกัน mm hmm. บางทีเราไปใช้ในสิ่งที่ก็ไม่ชอบเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบแล้วเขาก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเขาเปลี่ยนความไม่ชอบว่าอะเป็นความสุขของเขา เขาอยากจะซื้อเขาอยากทำอะไรก็เรื่องของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะใช้เงนินก้อนนี้เราก็อย่าไปขัดขวางเขาเลยเราดีใจไปกับเขาดีกว่าเราก็จะมีความสุขได้อันนี้เรียความสุขที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ขยายความเรื่องการถือสินแปดกับสิลห้านิดหนึ่งค่ะถึงความแตกต่างว่ามันมากน้อยแค่ไหน ศินห้าก็มีแค่ห้าข้ อ, อแล้วต่างกับศินแปดตรงข้อที่สามข้อที่สามสินห้าเขาพูดถึงสีนห้าก็คือไม่ประพฤติผิดตัวเวนีคือถ้าจะไปร่วมหลับนอนใครต้องเป็นสามีภรรยากันความแตกต่างในความหมายที่หนูถามหมายควาว่าผลลัพธ์ของคนปฏิบัติอะค่ะที่ถือสินแปดแล้วชีวิตจะเป็นยังไงถือสินห้าแล้วชีวิตจ ะ, ะถือสินแปดก็เป็นชีวิตที่ไม่ยู่งกับใครอยู่คนเดียว หาความสุขจากความสงบของใจแทนที่จะหาความสุขจากคนอื่นจากสิ่งอื่นคนที่ถือสินแต่นี้ถ้าไม่มานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ก, ก็จะ <c oughs> ก็จะถือไม่ถือไม่ไหวถือได้ก็ไม่นานเพราะใจมันยังขิวยังอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้ารักถ้านั่งสมาธิได้มันก็จะตัดความอยากหยุดความอยาก หาความสุขจากรูปสิงเกลิ่นรสได้มันก็จะมีความสุขอีรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเนี mm ่ย hmm. คนที่มาบวชรู้เสกั น, วนสวชรู้เสกันแล้วเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ mm hmm. นั่งสมาธิแล้วไม่สําเร็จใจก็ยังร้อนผ้าก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวก็เลยต้องเสกไปมีแฟนไปมีลูกมีครอบครัวมีอะไรไป mm hmm. แต่คนที่อยู่ได้ก็แสดงว่าเขา สามารถทำใจให้สงบได้เพราะมีความสุขกับการอยู่ตามลรรทานได้คนที่ถือสินห้านี่ยังต้องมีแฟนมีครอบครัวมีทรัพย์สมบัติมีพวกของบันเทิงอะไรต่างๆให้ความสุขอยู่แสดงว่าการถือสินแปดจริงทําให้การปฏิบัติขึดหน้าได้ดีกว่าใช่มได้เพราะจะได้มีเวลาถ้าไม่ถือสินแปดเดี๋ยวก็เพื่อนมาชวนไปเที่ยวนี เนื่องกานนันเกิดคนนั้นคนนี้ก็ต้องไปกินเลี้ยงก็จะะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติไปอยู่วัดไม่ได้ถ้าถือสินแตก็บอกเขาไปไหนไม่ได้แนละ้วต้องไปอยู่วัดที่เดียวเราก็จะมีเวลาตั้งแต่เที่ยงวันไปเนี่หลังจากกินข้าวเสร็จ ต, ตอนเที่ยงแล้วเรากม็มีเวลาว่างปฏิบัติได้ถึงเวลานอนเลยวงครับแล้ว เอคนที่ถูกกระทําโดยที่ไม่ได้เป็นสตูนถูกกระทาไม่ดีให้เนี่ยเกี่ยวกับกรรมบุพัเพไหมครับอันนี้มันเกี่ยวกับการที่มาเกิดในโลกที่มันมีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเดินไปในสวนลูกมะพ้าหลนใส่หัวตายก็ได้นี่เรียกเป็นอุบัติเหตุม้าหมามันวิ่งตัดหน้ารถเราเราชนมันตายเนี่ยมันก็เป็นอุบัติเหตุไม่มีเวรไม่มีกรรมกันมันไม่ใช่กรรมบุพเพหรือเปล่ไม่ไม่มีบุพเพกรรมที่มาเกิดในโลกนี้ว่า เมื่อถึงเวลาก็ต้องตายจะตายในรูปแบบใดตายด้วยกรรมก็ได้ตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ได้มันก็ตายเหมือนกันอันนี้มนไม่อเราขับรถไปชนหมาตายเนี่ยเราติดกรรมเพรไหมไม่ย ไ, ไม่ติดอะ่ะแต่แเราอาจจะตรงรถอื่นคันอื่นมาชนเราตายก็มีมเรครับ่ถไปเราร<ม>ะมัดระวังแต่เขาเมาเมาแล้วขับเขาสวนมาแล้วก็ชนมาเว้งสวนชนเราตายเนี่ย เขาก็ไม่มีเวรกับเราเราก็ไม่มีเวรกับเขาแต่เราก็ต้องตายเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องตายเพราะเราไม่ได้ซื้อประกันไว้ <c oughs> ถ้าเราซื้อประกันเราก็ไม่กลับมาเกิดเพราะไม่เกิดก็ไม่ตายดงั้นการตายมันมีตายด้วยธรรมชาติตายด้วยบัติเหตุตามด้วยวาลาของมันแล้วตามด้วยเวรกรรมตายด้วยเวรกรรมมันก็มีหลายหลายแบบด้วยกัน